ในมงคลทั้งสามสิบแปดมงคลในพระพุทธศาสนานี่ถ้าจะว่ากันไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีความสำคัญทุกๆมงคลก็ตามแต่ว่าถ้ามงคลที่หนึ่งเนี่ยก้าวข้ามไม่พ้นแล้วก็อีกสามสิบเจ็ดมงคลแล้วก็ไม่มีทางทำได้เลย เพราะฉะนั้นอยากจะพูดว่าในสามสิบแปดมงคลนี่แหละมงคลแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเหมือนบันไดขั้นแรกถ้าก้าวไม่พ้นแล้วก็เฝ้าอยู่เชิงบันไดนั่นเองไม่ได้ขึ้นบนบ้านกับเขาหรอกนะ mm hmm. เพราะว่ามงคลที่หนึ่งมีความสําคัญอย่างเนี้ยก็วันนี้ตั้งใจที่จะพูดทั้งหมดอยู่สิบสองหัวข้อด้วยกัน เรื่องมีอยู่ว่ะคนเราเนี่ยเกิดมาก็อยากจะดีด้วยกันทุกคนแหละไม่มีใครอยากเลวหรอกแม้แต่กระทั่งโจรมันก็ไม่อยากเลวที่มันไปเป็นโจรเพราะมันคิดว่าไอาการที่มันเป็นโจรมันดีแล้วพอคิดว่าเป็นโจรเนี่ยดีแล้วเป็นวิธีรัดที่จะหากินมันก็เลยไปเป็นโจร พอไปเป็นโจรเข้าแล้วไปรู้เป็นรู้เอาทีหลังว่ามันไม่ดีก็ถอนตัวกลับไม่ได้ก็เลยเป็นโจรอยู่ทั้งชาตินั่นคนทุกคนนะอยากจะดีแต่ว่ามันมันเอาดีไม่ได้ทำไมมันจึงเอาดีไม่ได้มันต้องมาถึงประเด็นนี้แล้วทำไมอยากดีด้วยกันทุกคนแล้วมันเอาดีไม่ได้องประกอบมีเยอะแยะ อาจจะตั้งแต่ร่างกายมันไม่สมประกอบเลยเอาดีก็เข้าไม่ได้ก็มีหรือความคิดความอ่านสารพัดละมันไม่มันไม่เข้ารูปไม่เข้ารอยกัเขาแต่ว่าโดยย่อเอาโดยย่อสาเหตุสำคัญที่สุดของคนเราที่เอาดีไม่ได้คือวินิจฉัยมันเสียนะวินิจฉัยมันเสียใช่แล้วเป็นไงวินิจฉัยมันเสีย คือมันแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะอะไรควรอะไรไม่ควรมันแยกไม่ออกเพราะมันแยกไม่ออกเข้าไปหลงเข้าใจผิดว่าไอ้สิ่งไม่ดีกลายเป็นดีไปนี้มันก็เลยทำความชั่วเข้าไปเลยชาตินี้เอาดีไม่ได้ตรงกันข้ามถึงแม้คนคนนั้นแหละจะเป็นคนง่อยเปลี่ยเสียขายังไงก็าตามแต่ว่า วินิจฉัยของเขามันดีแยกออกว่าอะไรดีชั่วอะไรผิดถูกอะไรควรอะไรไม่ควรเจ้าง่อยนี่ก็ยังสามารถจะเอาดีได้นะอย่าไปดูถูกเจ้าง่อยมันถ้าเจ้าคนง่อยคนนี้มันมันมีวินิจฉัยดีแล้วก็มันเอาตัวรอดได้เราซะอีกเดี่ยวแรงแข็งขันอย่างนี้นะนั่งอยู่บนศาลานี่วินิจฉัยเสียเมื่อไรแล้วก็เดี๋ยวเธอแพ้กระทั่งไอ้เจ้าง่อยนะั่นแ ที่เรียกว่าวินิจฉัยมันเสียน่ะเป็นไงนยกตัวอย่างก็แล้วกันเอาตัวอย่างที่เคยยกอยู่เรื่อยๆนี่แหละปรับมายกอีกเช่นเหล้าใส่ถ้วยใส่แก้วตั้งเอาไว้เจ้าคนวินิจฉัยเสียมาถึงก็บอกนี่คือของกระชับของเชื่อมสัมพันธ์ทําไมตรีพอเห็นเหล้าขอเท่านั้นนึกอย่างนี้ น้ำลายและสอปากเหรหันรีหันขวางขวา้าสดายเย็นๆได้ก็กรุบวินิจฉัยมันเสียอย่างนี้ในเวลาเดียวกันคนที่วินิจฉัยยังดีอยู่เพอะเห็นเพเห็นเล่าเขาท่า น, นเออไอ้นี่นะอย่าคิดเพราะพุทธเจ้าก็ทรงห้าหมไว้บอกว่าอย่าไปดื่มอย่าไปกินมันเข้าเดี๋ยวสติสัมปะชัญญะมันจะเสียไปหมดแล้วจะเอาดีไม่ได้ คนที่วินิจฉัยดีอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่บางคนที่วินิจฉัยเสียพอเห็นไพ่ปั๊บตีวงเลยมะวันนี้มาอ่รับสมองกันอืมรับสมองกันมาหัดคํานวณกันอืไอ้ย่างนี้ละดีกว่าคันคูลัสอีกไอย้ยางนี้ดีกว่าคอมพิวเตอร์อีกมันว่าของมันไป ว่าแล้วก็ตั้งวงเล่นไพ่กันเสียเวลาเปล่าไปตั้งเท่าไรเท่าไรไม่ได้อะไรหรือถ้าเล่นเอาเงินเอาทองกันเข้าก็่อก่อศัตรูกันก่อศัตรูก่อเวรกันไปนี่คนวินิจฉัยเสียเป็นอย่างนี้แต่คนวินิจฉัยดีพอเห็นไพ่ท่านั้นมีเยอะไหมมีเยอะเออขนมาเยอะๆเอามาทำอะไรเผาทิ้งหมดอย่างนี้ใช้ได้ นี่วินิจฉัยของคนมันดีมันเสียมันออกมากอย่างนี้แล้ววิถีชีวิตก็จะต่างกันไปนะตามวินิจฉัยของตัวที่มีทีนี้วินิจฉัยของคนเนี่ยที่จะผิดหรือจะถูกก็าตามเราได้มาอย่างไงได้มาอย่างไงกันเนี่ยที่มาอยู่สองแหล่งใหญ่ของคนเราที่จะได้วินิจฉัยมาหาตัวเนี่ย จะผิดหรือจะถูกก็ตามละ่ะสองแรงใหญ่อันที่หนึ่งได้มาจากคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่เราคบหรือภาษาพระเราใช้คําว่าได้มาจากมิตรนะได้มาจากมิตรจะเป็นความคิดวินิจฉัยที่ผิดที่ถูกหรื อ, อยังไงก็ตามละ่ะมันก็มาจากแรงที่หนึ่งเนี่ยมาจากจากมิตรของเราจะมิตรแท้มิตรเทียมก่อนแล้วแต่ล่ะ ถ้าวินิจฉัยที่ดีเขาก็เรียกว่าเออได้มาจากกัญยาณมิตรนะอกัญญาามันแปลวา่าง้มได้จากมิตรงา ม, งามเพื่อนดีๆนั่นเองถ้าไปได้ส่วนวินิจฉัยเสียมาจากไหนล่ะสัพท์ทางพระมีเยอะบางทีเขาเรียกว่าปาปะมิตรปา่าปะคือบาปนะไอ้เพื่อนที่มีบาปเต็มตัวหรือจะเรียกว่าคนพาลก็ได้ แล้วแหล่งที่สองที่เราจะได้เราวินิจฉัยมาอีกมาจากไหนจากตัวของเราเองคือได้ฟังจากมิตรแล้วจะปาปมิตรได้จากกาลยานมิตรสัาตามเถอะได้ฟังมาแล้วก็เอามาตรึกเอามาตรองเอามาตรึกเอามาตรองเนี่ยถ้าจับแง่ตรึกแง่ตรองไม่ถูกไม่ต้องไปจับแง่ตรองผิดผิดเข้า เดี๋ยววินิจฉัยก็เสียเหมือนกันฮทั้งๆ ท, ที่เได้ข้อมูลมาจากมิตรที่เราครบมานี่ยแหละได้ข้อมูลมาแล้วแม้ข้อมูลนั้นจะถูกต้องแต่ว่าถ้าเราจับแง่คิดไม่เป็นเดี๋ยวเราก็พลาดเหมือนกันหรือไปได้ข้อมูลที่เอไม่ถูกต้องมาเาถ้าคนมีเมีสติปัญญาพอสมควรใช่ไหเขาก็สามารถจะ จับแง่คิดให้ถูกได้เหมือนกันแล้วเขาก็สามารถปรับวินิจฉัยของเขาให้ดีได้ให้ถูกต้องได้ไอ้การมาคิดให้แยกทายมาตรองจนทั้งเกิดความวินิจฉัยของตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยถ้าแบบที่ถูกต้องเขาเรียกว่าโยนิโสมณสิการคือจับแง่คิดถูกคือพอได้ข้อมูลมาแล้วก็ตั้งปัญหา ได้ถูกแง่ถูกมุมแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกแง่ถูกมุมหรือไปได้ยินใครเขาแก้ปัญหาไว้ถูกแง่ถูกมุมแล้วก็โมทนากเขาด้วยยินดีเขาด้วยแล้วรับเอาเอ า, เอาความเห็นถูกรู้วินิจฉัยถูกๆเ่านั้นมาเป็นของตัวนะตกลงการที่คนเรานะวินิจฉัยจะดีหรือจะเสียก็ตามและมันก็มาจากสองแหล่งแหล่งหนึ่งได้มาจากคนที่เราครบรือได้จากมิตรของเรา คำว่ามิตรในที่นี้ในภาษาพระกินความกว้างโดยเฉพาะเช่นคำว่ากัญญาณมิตรเนี่ยกัญญาณมิตรมิตรที่งามหมายตั้งแต่เบื้องสูงถึงเบื้องต่ำเลยเบื้องสูงใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกัญญาณมิตรของสัตว์โลกรองลงมาอีกพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นกัญญาณมิตรของสัตว์โลกรองลงมาอีกพระสงฆ์เป็นกัญยาณมิตรสาหรับชาวโลก ร้องลงมาอีกคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นกัญยาณมิตรของลูกอันนี้ก็ต้องวงเล็บไปแล้วอ่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ที่มีวินิจฉัยดีเลยนะที่วินิจฉัยของท่านยังไม่เสียไม่ใช่ท่านเมาแปรชา้าเย็น อ, อ, อันนั้นไม่ใช่ละนั่นมาใช่กัญญาณมิตรนั่นกลายเป็นปา่าปะมิตรไปแล้วนั่นเป็นคนพาลสําหรับเราซะละ้วร้องลงมาอีกนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วใครครูบาอาจารย์ที่ ที่วินิจฉัยยังไม่เสียนะวินิจฉัยของท่านดีๆนะร้องลงมาอีกใครเพื่อนของเราเองไอ้ที่ดีๆนะตลอดจนกระทั่งผู้บังคับบัญชาของเราหรือว่าคนที่ดีๆทั้งหลายในประวัติศาสตร์เออหรือคนที่ดีๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ใช้ได้ทั้งนั้นเหมือนกันอาจจะรวมถือเป็นว่ากัลยาณมิตรตกลงเป็นอันว่าวินิจฉัยของเราเนี่ย จ ะ, จ, ะจะดีหรือจ ะ, จะดีหรือจะเสียก็าตามหะแหล่งที่มาของมันมันก็มาอยู่สองแหล่งคือมาจากเออจากมิตรของเราแล้วก็มาจากตัวของเราเองที่จะมาตรายตรองถ้าตรายตรองแยกขายเราก็เรียกว่าโยนิโสมณสิการถ้าตรายตรองไม่แยกขายเออก็ใช้ไม่ได้แ ล, แล้วเดี๋ยวเราก็คงจะได้ก่อเวรกันเยอะแยะเลยทีนี้คนที่ เออเราจะไปเอาคนที่จะป้อนข้อมูลให้เราเนี่ยป้อนข้อมูลให้เราให้มีวินิจฉัยถูกหรือผิดเนี่ยเมื่อกี้ที่ว่าข้อแร ก, กนนะ่ะมาจากมิตรของเราเนี่ยก็เกิดเจ้าการรมจริงๆเลยมิตรของเราหรือคนที่เราจะคบเนี่ยในโลกนี้ในโลกนี้ไม่ใช่มีคนดีทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่มีคนชั่วทั้งหมด แต่ว่ามันก็ปนปนกันไปแม้ในคนคนเดียวกันนี่แหละบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ร้ายแม้กระทั่งเราเมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมาสวดมนต์้จเจจาเจ้าเจาแต่เช้าเช่ไสายไปโดนเรื่องกระทบใจอะไรเขาหน่อยหน้าหงิเมอเชเออพอขึ้นรถจะมาวัดเออหน้าบานขึ้นมาอีกหน่อยเออวันวันเราก็ยังเป็นอย่างนี้เลยมันยังเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เหมือนกัน พระพุทธเจ้ามีความกทรงมีความกังวลมีความห่วงใ ย, ยพวกเราพระองค์ก็เลยให้ข้อคิดไว้อย่างนี้ว่านี่นะถ้าจะอยากจะดีต่อไปข้างหน้าเราจําเป็นจะต้องเลือกคบคนเพราะว่าถ้าหลงไปเอถ้าถ้าเลือกคบเลือกคนไม่เป็นเลือกคนไม่เป็นดูลักษณะคนไม่เป็นแล้วก็ เดี๋ยวจะหลงไปควบคนพาลครับนะคนพาลหรือคนที่เออเป็นปาปะมิตรนั่นแหละคนพาลคนบาปเข้าเดี๋ยวเราจะติดนิสัยหรือติดเชื้อวินิจฉัยเสียมาจากคนพาลแล้วเราก็จะเสียคนแต่ว่าถ้าเราเลือกเลือกคนเป็นได้กัลยาณมิตรมาจริงๆเออโอกาสที่เราจะดีต่อไปข้างหน้าน่ะ มีอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นในมงคลที่หนึ่งนี่พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้เลยใช่ว่านี่นะอยากจะเอาดีแล้วก็ห้ามคบคนผ่านเราก็เลยต้องมาถึงหัวข้อที่หนึ่งว่าออคำแปลคำว่า ค, คาว่าพานหรือภาษาแบบเราภาษาพูดของเราเราเรียกว่าคนพานเติมคำว่าคนเข้าไปหน่อย ควจริงคำว่าพานเนี่ยมันก็พอแล้วรู้ว่าคนลนะคนพานนะเ อ, อพานหรือคนพา น, นแปลว่าอะไรเออแปลว่าถ้าเอาตามคําแปลตรงๆแปลว่าคนอ่อนแอคนอ่อนแอคนไม่เข้มแข็งหรือคนที่ยังเยาอยู่พอแปลอย่างนี้บางทีเราชักจะขัดใจเออหลวงพ่อแปลที่ลึก ไอคนผานบางคนตัวมันยังกะยากน่ะเตะกระสอบซ้ายเสียงพลักพลักมันต่อยไปเปลี่ยงนี่อย่าว่าแต่โดนคนเลยโดนควายควายก็พลิกท้องทำไมหลวงพ่อว่าเออมันอ่อนแอเอาเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน<ค>ก็เลยมาถึงหัวข้อที่สองว่าความหมายความหมายของคำว่าคนผานความหมายมันแค่ไหนเพื่อจะให้เข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งดีเนี่ย เราก็เลยต้องมาดูขุมกำลังในตัวคนกันในตัวคนเราเนี่ยมันมีขุมกำลังอยู่ถึงสี่ขุมใหญ่ๆนะขุมกำลังขุมแรกเลยคืออันที่หนึ่งกำลังกายนะคนเรากำลังกายไม่เท่ากันนะใครมีกล้ามเนื้อดีไม่พิกลพิการกำลังกายก็ดีนี่ เป็นกําลังขุมที่หนึ่งในตัวของเราทีนี้กําลังขุมที่สองกําลังขุมที่สองเป็นไงล่ะกําลังขุมที่สองถ้าจะพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านคือกําลังความรู้จากกําลังกายแล้วก็มากําลังความรู้สําหรับกําลังความรู้เนี่ยเริ่มมีค่ากว่ากําลังกายขึ้นมานะยกตัวอย่าง อย่างสมุติพวกคนที่เขาไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยก็ต้องเป็นกรรมกรมาแ บ, แบกแบกหามาหามอย่นี้เสียงโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กปกันอย่างที่เราได้ยินเนี่ยไอ้ไอ้กำลังกายอันนี้ค่าค่าแรงหรือค่ากําลังกายเนี่ยค่อนข้างจะถูกสักหน่อยค่อนข้างจะถูกมันเอามาใช้ทําประโยชน์ได้แต่ยังไม่ค่อยเต็มที่พอมาถึงกําลังขุมที่สองในตัวเราคือกําลังความรู้ กำลังความรู้ซึ่งก็ได้จากการที่เราได้เล่าเรียนเขียนอ่านมาได้ศึกษามามีประสบการณ์จากการ อ, อ, อายุมันมากเข้าได้รู้ได้เห็นมามากก็เออกำลังขุมที่สองมันก็มากคือกำลังความรู้ของเราทำให้เรารู้เหตุรู้ผลรู้ในสิ่งที่ควรรู้ต่างๆนี่เป็นกำลังขุมที่สอง พวกเราที่มันเล่าเรียนเขียนอ่านกันเข้าเรียนในโรงเรียนก็ดีในมหาวิทยาลัยก็ดีในวิทยาลัยก็ดีเรียนทําไมเพื่ออย่างน้อยที่สุดจะเอากําลังขุมที่สองนี่ะจะเอากําลังขุมที่สองที่ยังทนเรียนกันอยู่เนี่ยไม่ยอมโง่กัแแล้วกาลังอะไรกําลังความรู้ก็มาถึงกําลังขุมที่สามกำลังขุมที่สามคือกํากลังความคิดบางคนมีความรู้ จบมาได้กันนี่แหละคว้าประกาศสนิบัตคว้าอนุปริญญาคว้าปริญญามาได้กันเรียนมาได้กันนี่แหละได้ใบรับรองมาเหมือนกันนี่แหละความรู้ก็เท่าๆกันนี่แหละแต่ว่าความคิดอาจไม่เท่ากันบางคนสารพัดจะรู้แต่มันคิดไม่ออกไม่รู้จะคิดคิดไม่ออกอถามว่าเ อ, อซ่อมเครื่องยนต์เป็นไหม เป็นแล้วทําไมมันนั่งงอมืองอเท้าอย่างนี้ไม่ไปซ่อมเครื่องรับจ้างเขาซ่อมเครื่องหรือจะทำมาหากินทางด้านเครื่อ ง, องีก็ทําไปสิคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไงเลยนั่งรอให้ใครเข้ามาเรียกไปทําไม่มีใครมานั่งม า, มาเรียบสักทีแลนน้วไม่มีกินอยู่นี่แหละอื ม, มันมีความรู้แต่ว่ามันไม่มีความคิดบางคนเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีกำลังขุมที่สามเนี่ยนอกจากมีความรู้แล้วมีความคิดด้วยโอ้ยอย่างนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนี่เป็นกำลังขุมที่สามในตัวคนกำลังขุมที่สี่กำลังความดีกาลังความดีคือมีความรู้ด้วยมีความคิดด้วยแล้วก็มีสติควบคุมตัวเองที่จะเอาความรู้ความคิดเนี่ย ไปใช้ไปใช้ในทางที่ดีๆน่ะก็เกิดประโยชน์ให้ทั้งตัวเองทั้งคนในโลกนี้อย่างนี้เรียกว่ากําลังความดีกําลังในตัวคนเราเนี่ยมีสี่ขุมใหญ่ๆอย่างนี้กําลังกายกําลังความรู้กําลังความคิดกําลังความดีมีขุมมีอยู่สี่ขุมใหญ่ๆอย่างนี้ที่นี้ถ้าคนไหนวินิจฉัยมันเสีย มันแยกไม่ออกว่าดีชั่ววินิจฉัยมันเสียมันอย่างดีก็เลยมีแต่กำลังกายเท่า น, นั้นใช้ได้แต่กำลังกายไอกำลังความรู้ถึงมีอยู่ก็ไม่รู้จะเอามาใช้อย่างไรมีอยู่ก็เอามาใช้ไม่ได้กำลังความคิดยิ่งไปกันใหญ่เอามาใช้ไม่ได้กำลังความดีหมดเลยหมดเอามาใช้ไม่ได้เลย เมื่อกำลังสี่ขุมนี้น่ะมีอยู่มีอยู่ถึงสี่ขุมเนี่ยแต่ว่าถ้าคนหนะคนใดคนหนึ่งเอามาใช้ได้สี่ขุมทั้งหมดเลยก็เรียกว่าเป็นคนมีกำลังแต่ถ้าคนไหนเอามาใช้ได้เพียงขุมเดียวคือเอากำลังกายมาใช้เท่านั้นแหละคนเหล่านี้ภาษาพระภาษาศาสนาเรียกว่าคนผ่านคือคนไม่มีกำลังหมายถึงไม่มีกำลังทั้งสี่ขุม คือมันมีแค่ขุมใดขุมหนึ่งแล้วส่วนมากก็จะมีแต่แค่ขุมกำลังกายเท่านั้นแะแต่ว่ายังไงก็ตามมีคนผ่านบางคนกำลังกายก็ดีเหลือเกินกำลังความรู้มันก็ดีมันจบด็อกเตอร์จบปเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นอืมกำลังความรู้มันก็ดีแต่ว่ากำลังความคิดมันเสีย มันอุตส่าห์นั่นเรียนเภสัชมนโอ้โ ห, โหความรู้แตกฉานทางด้านเภสัชทางด้านเคมีหาตัวจับยากเลยแต่เจ้ากวามจริงๆความคิดมันวิปริตไปมันไม่ทำหลอกยามันเอ็กซตรัเฮโรอีนขายดีกว่าแล้วกําำลังความดีเลยเสียไปเลยเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็ยังจัดว่าคนผ่านคือเอากำลังทั้งสี่ขุมมาใช้ได้ไม่หมดนะ อาจจะใช้ได้แค่สามขุมเท่านั้นน้อยไปมีให้ทั้งสี่ขุมใช้แค่สามขุมน้อยไปเหมือนรถยนต์รถสี่สูบถ้ามันวิ่งแค่สองสูบสามสูบก็ใช้ไม่ได้มีสี่สูบก็ต้องวิ่ง4ี่สูบให้ได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ารถมีกำลังถ้าใช้ไม่ครบเออทั้งสี่สูบแล้วก็นี่กาลังมันแย่แล้วต้องส่งซ่อมแล้วอย่ารอจนทั้งเหลือสูบเดียวหลือวไม่ไปสักสูบหนึ่ง งั้นไปใช่ไม่ได้เลยตกลงก็เป็นอันว่าเรารู้แล้วโดยความหมายคนพานที่ว่าหมายถึงคนอ่อนแอนะหรือไม่หมายถึงคนอ่อนยาวคนไม่เข้มแข็งนะ่ะหมายถึงไม่เข้มแข็งในการที่จะทําทความดีนั่นเองท้ายที่สุดนะไม่เข้มแข็งที่จะทําทความดีมันอาจจะมีเรี่ยวแรงกําลังกายยิ้มเลย ความรู้มันก็เยี่มเลยความคิดที่จะไปประดิษฐ์อะไรต่างๆมันก็เยี่ยมเลยแต่มันไม่เอามาทำความดีเพราะฉะนั้นคนผานคือคนที่อ่อนแออ่อนแอในที่นี้คือไม่มีกำลังความดีก็เลยมาถึงหัวข้อที่สามสาเหตุแห่งความเป็นผานทำไมมันก็เลยต้องมาถึงคำถามทำไม มันจึงได้เป็นอย่างนั้นล่ะกําลังกายมันก็มีกําลังความรู้มันก็มีจบปริญญามาตั้งหลายใบมันความคิดความอ่านมันก็มีแต่ว่ามันกลับไปคิดไอ้เรื่องเสียเสียซะเนี่ยแล้วพอคิดเรื่องเสียเสียมันก็เลยไปทำเสียเสียเลยไม่ทำความดีแล้วทำชั่วตั้งแต่เช้าจดเย็นจดกลางคืนปเชียวแม้ในความหลับของมันยังฝันมาไปล้างผลาญคนอื่นเลยฮะทาไมมันอย่างนี้เนี่ย ถาม่าทําไมก็ถึงต้องมาพูดจนถึงหัวข้อที่สามอ่ะสาเหตุแห่งความเป็นพานนะะถ้ามาพูดกันบางคนนะคุณแม้จะพวกเราเองบางทีก็อาจจะเป็นกันบ้างๆกลางวันมีโกรธเ้ากลางคื น, น่ะฝันว่าได้แทะเนื้อเขาเชียวนะเอเ อ, เ, อ, เ, อเป็นเอามาไอ้ไอ้ไอบางคนแหมกลางวันโกรธเข้ามากลางคืนฝันว่า โอ้โหเราจับมันมาป่นกระดูกเซ็ตช้ำใจแล้วตื่นขึ้นมาที่ไหนได้คงจะธาตวิปฤตดินอีท่าไหนมันโตกเตียงมันนอนอยู่ใต้เตียงแล้วมันหนาวเย็นหนักเข้าหนักเข้าเลยฝันไปว่าป่นกระดูกคนอื่นที่แท้ตัวเองจะตายอยู่ใต้เตียงนั่นเอเป็นอย่างนี้สาเหตุแห่งความเป็นพานเนี่ยพอสาวไปสาวไปถึงต้นตอจริงๆแล้ว มาจากเรื่องเดียวเรื่องเดียวแท้ๆคือใจเรื่องใจสาเหตุคือใจของคนผ่านเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งมันไม่ตั้งมัน่นนะถ้าพูดภาษาพระใจมันไม่มีสมาธิหรอกใจมันเต้นเป็นลิงเช่อตัวมันอยู่นี่ละโดดแล้วไปถึงบ้านตัวมันอยู่นี่ละโดดแผลใจมันโดดแ้วเข้าลงหนังไปฉีด ดูวมันอยู่นี่ใจมันมุดโอยไปได้สารพัดทิศมุดใต้ดินไปโผล่นู่นสงขาจะไปเล่นน้ําทะเลซะแล้วมุดก็ไวปใต้ภูเขาไปโผล่โน่นเชียงใหม่ไปโผล่โ น, น่นดอยขุนตาลเออมันไปได้ใจพวกนี้มันเหมือนลิงมันไม่ตั้งมันดูนะเราจับทีเดียวจับว่าทำไมมันพานเออมันมาจากใจใจมันเป็นยังไง เมื่อฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้าพบว่าใจมันไม่ตั้งมั่นคือมันยังไม่เป็นสมาธิมันก็เดี๋ยวก็วอกวอกแวกแวกไปเพราะความที่ใจมันไม่ตั้งมั่นเนี่ยเดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่วอกวอกแแบบแบบไปอย่างนี้ผลที่ตามมาคือใจมันเลยขุ่นมัวเดี๋ยวไปคิดถึงไอโน่นคิดทั้งไอนี่สับสนไปหมดเลยขุ่นมัวเพราะ พอมันคุณไอ้ที่บอคุณที่คุณจริงๆนะทั้งคุณทั้งมัวมืดตือ่อยังเมื่อเช้านี่บางคนหลับตาในสว่างโพลง่งไอ้บางคนพอหลับตาละมืดตื่อยังเข้าถ้ำเลยคุณเอ้ยรู้ตัวเองอะใครอะนะรู้ตัวเองเธอทีนี้พอมันมันไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็คุณมัว พราะมันคุนงัวคุ่นมัวเข้าไปแล้วเนี่ยมันเลยไม่โปร่งใจใจมันไม่โปร่งเพราะมันคุนแล้วมันไม่ตรงมันไม่ตรงเนี่ยคือให้มันให้อึดอัดไปละคนอื่นเขานั่งสมาธิในเงียบรู้สึกเ้าสบายไอ้เราอึดอัดอึดอัดเหมยจริงเว้ยเมืหมยจริงเว้ยอึดอัดมามันให้อึดอัดมันให้คลับแค้นแหมดูสิอาจารย์เขาพาเราเนี่ยนี่ไม่ติดอาจารย์จะลงไปวิ่งได้สักรอบ อึดอัดเหมือนอย่างกระโดนภูเขาทับก็มีเหงื่อแตกพลั่งพลั่งมีอึดอัดนะมันไม่โปร่งมันไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็เลยขุนมัวเพราะมันขุนมัวเข้ามันก็เลยไม่โปร่งคือมันอึดอัดพอมันอึดอัดเข้าผลมันก็ตามมาอีกว่ามันก็เลยไม่มีความสุขขอพาย เดียวจข้ามสเต็ปไปเลยมันอยู่ในสภาพที่เอามาใช้คิดอะไรไม่ได้พอมันอึดอัดซะละเอามาคิดอะไรมันคิดไม่ได้มันมีแต่คว้างมันคิดไม่ได้มันคิดไม่ออกมันตือ้อไปหมดแล้วมันก็ตามมาอีกสเต็ปคือไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขชักทุรนทุรายเอาเท่าน มันไล่เข้ามาเป็นช่วงช่วงอย่างนี้ตั้งแต่ที่แรกมันไม่ตั้งมั่นนะเพราะมันไม่ตั้งมั่นมันก็เอคิดหน่นคิดนี่วอกๆแหวกแวกเข้ามันไปมันก็เลยสับสนพอสับสนมันก็เลยขุนขุนเหมือนอย่างกราเอามือไปกวนน้ำที่มันมีตะกรนเนี้ยมันขุนพอขุนเข้ามันก็เลยไม่โปร่งอึดอัดอึดอัดคับแค้นเช้นมาเพราะมันไม่โปร่งเข้า มันก็ไม่เหมาะต่อในการที่จะเอาไปคิดเวลาเราอารมณ์เสียมามันไม่เหมาะที่จะเอาไปคิดอะไรทางนั้นเมื่อมันไม่เหมาะที่จะเอาไปคิดอะไรทางนั้นแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องคิดมันเลยคิด เ, ออเรานี่แย่ yeah, จริงๆเป็นทุกข์ที่สุดในโลกใครคงไม่เคราะหร้ายเท่าเราสารพัดมันก็ว่าของมันไปผลสุดท้ายอืมจากใจที่เป็นอย่างเนี้ยผลสุดท้าย วินิจฉัยมันก็เลยเสียนะที่นี่นี่คือสาเหตุของมันนะเนี่ยทําไมวินิจฉัยมาเสียก็มาจากอย่างเนี้ยจากใจไม่ตั้งมัน่นแล้วก็ค่อยไล่มาเรื่อยเช่นก็เลยมาถึงหัวข้อที่สี่ลักษณะของคนผ่านลักษณะของคนผ่านก็ต้องหยิบผลจากเมื่อข้อที่สามนั่นแหละผลจากการที่ ใจเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่คิดไม่ได้หรือคิดก็คิดในเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือวินิจฉัยมันเสียนะผลจากอันนั้นอนะ่ะมันเลยกลายเป็นผลต่อเนื่องนะคือสภาพอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยถ้านานๆมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็แล้วไปแต่ว่าถ้ามันเป็นบ่อยเข้าบ่อยเข้านะเดี๋ยวเช้าก็เป็นสายก็เป็นกลางวันก็เป็นกลางคืนก็เป็น มีอาการอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่คือใจไม่ตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆทั้งตสปีดสีแต่ชาติเป็นอยู่อย่างนี้พอเป็นนานเข้านานเข้านานเข้าใจก็เสื่อมคุณภาพลงไปทุกวันทุกวันทุกวันผลก็ตามออกมาแล้วตามว่าไงหนึ่งลักษณะของคนผ่านหนึ่งชอบคิดชั่วเป็นปกติคิดดีๆจะคิดไม่ออก มองหน้าใครแล้วให้ลำคาญใชอยากจะเตะสักลักแค่ทางนั้นจะนี่ยกตัวอย่างคิดชั่วต่ำเป็นปกติลักษณะที่เรียกว่าคิดชั่วต่ำเป็นปกติเนี่ยถ้าจะแยกออกพอแยกได้เหมือนกันเป็นยังไงหรือที่เรียกว่าคิดชั่วต่ำเป็นปกติคือมีความคิดโลภอยากได้ของผู้อื่นเนี่ยเป็นปกติมีความคิดละโมบโลภมาก เป็นปกติเลยหลังจากที่จิตใจเนี่ยมันสับสนวุ่นวายอันเกิดจากความที่ใจไม่ตั้งมั่นมาตลอดเวลานานเข้านานเข้ า, น า, นขาตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยไม่เคยหัดฝึกอบรมใจให้มันตั้งมั่นสักทีนานเข้านานเข้านานเข้าผลออกแล้วคือคิดชั่วต่ำเป็นปกติซึ่งอันที่หนึ่งคือที่เห็นง่ายๆคือคิดละโมบโลภมากอยากได้ข้องคนอื่นเขา ทั้งวันทั้งคืนเห็นทรัพย์สมบัติใครให้ตามันโตมันจะอยากจะได้เห็นแฟนใครเขา้าเข้าให้อยากจะไปแย่งไปชิงเขาเอามาเชียอืมดูมันเป็นเป็นซะปันนี้สองคิดพยาบาทคิดพยาคิดผูกโกรธคิดพยาบาทคิดปองร้ายอ ม, มีอะไรกระทบหน่อยก็โกรธโกรธแล้วทําอะไรเข้าไม่ได้ก็เออไปคิดเอคิดจองเวร พยาบาทไปเลยนี่อันที่หนึ่งคิดละโมบโลภมากอันที่สองคิดพยาบาทอันที่สามบางคนไม่โลภของใครไม่พยาบาทใครแต่ว่ามาตกเข้าอันที่สามนี่